ถาม <S <S เหตุใดการถือบวชจึงต้องละกามารมณ์ด้วยครับศา ส, สนาพุทธถือเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นที่ให้ประหารเสียจากการเป็นพระกับทั้งไม่ให้บวชเป็นพระอีกเลยทั้งชีวิตทําไมโทษจึงร้ายแรงขนาดนั้นกะแค่มีอะไรกับผู้หญิงน่าจะเป็นความผิดที่อภัยกันได้ไม่หนักเท่าฆ่าคนตายสักหน่อยหรือพุทธถือว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นบาปหนักหนาครับตอบ ศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการพ้นเกิดพ้นตายผู้ถือบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาต่างก็มีข้อตกลงเดียวกันตามที่พระพุทธเจ้าตั้งกติกาไว้นั่นคือบวชเข้ามาเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเพื่อไม่ต้องเกิดอีกในรอบหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยเมถุนควรละเมถุนเสียจึงนับเป็นการชักสะพานแห่งการเกิดกาย ก็เช่นนั้นควรแล้วหรือที่ภิกษุยังคงเดินหน้าเสพกรรมต่อไปโดยไม่สนใจข้อตกลงว่าจะบวชเข้ามาเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งทำลายรากแห่งภพชาติให้สิ้นการที่ภิกษุผู้สืบศาสนาแสดงความติดกรรมไม่ละพฤติกรรมทางเพศย่อมก่อให้เกิดภาพน่าสับสนว่าบวชเข้าไปทำไมไหนว่าจะเอาความหลุดพ้น ชาวบ้านอุตส่าห์สนับสนุนข้าวน้ำถ้าปล่อยให้พุทธเราเต็มไปด้วยผู้ทุศีลขาดความเป็นพระและยังครองผ้าเหลืองต่อไปได้มากๆศา ส, สนาจะเสื่อมจากความศักดิ์สิทธิ์ภาพความมัวหมองย่อมทำให้ชาวบ้านจิตตกเกินกว่าจะมีกำลังใจตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรหรือร่วมกันระดมทุนเป็นสิบเป็นร้อยล้านสร้างวัดวาอารามให้เกิดการสืบศาสนาต่ออไปได้ จะเห็นว่าถ้าชาวบ้านไม่ศรัทธาไม่เชื่อว่ายังเหลือภิกษุผู้จเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าอีกแล้วศา ส, สนาย่อมดำรงอยู่ไม่ได้หากเลงกันตรงนี้จึงมีเหตุผลอันสมควรยิ่งที่ศาสนาแห่งการละกามจะประหารผู้ที่ไม่คิดละกามทิ้งเสียให้สิน้นการศึกพระผู้ประราชิกย่อมหมายถึงการกาจัดต้นเหตุแห่งความสิน้นสุดของพุทธศาสนานั่นเอง คราวนี้มาว่ากันเรื่องบาปไม่บาปทำไมแค่เสพกามถึงบาปในเมื่อก่อนบวชเสพกามกี่ร้อยทียังไม่เห็นจะบาปตรงไหนอันนี้ต้องบอกว่ากามนั้นเสพแล้วไม่ใช่ว่าบาปแต่คุณมีสิทธิ์ในการเสพกามหรือเปล่าต่างหากศา ส, สนาพุทธไม่ได้แจกเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยให้คนจรจัดฟ ร, ฟรีเมื่อมาอยู่แล้วต้องช่วยกันรักษาเหมือนพนักงานในบริษัท พึงมีหน้าที่ช่วยให้บริษัทดําเนินกิจการต่อไปได้หากพนักงานบริษัทประพฤติทุจริตคิดมิชอบรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายนั่นย่อมเป็นบาปติดตัวเขาไปอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างน้อยเขาย่อมรู้แก่ใจว่าทําไม่ดีไม่งามลงไปแล้วไม่ค่อยต่างจากการทําลายทรัพย์สินของบริษัทเท่าใดเลยหากบวชเข้ามาทั้งไม่เข้าใจว่าคนอื่นเข้ามายุติกรรมกัน ยังมาเสพกามต่อในวัดก็เท่ากับเป็นคนนอกบริษัทที่หวังเข้ามาหาผลประโยชน์มาใช้สอยเครื่องไม้เครื่องมือของบริษัทโดยไม่ชอบทำต่อหน้า ท, ทําทีเหมือนเป็นคนในแต่โฉมหน้าที่แท้คือคนนอกพร้อมจะหักหลังคนในอยู่ตลอดเวลาลองดูนะครับไม่มีใครทรยศบริษัทตนเองได้ด้วยความจริงใจคนขาดความจริงใจเท่านั้นที่คิดคดทรยศได้และผู้ทรยศนั้น สมควรได้ชื่อว่าเป็นคนบาปหรือนักบุญทรยศใครไม่ว่ามาทรยศพระศาสนาแห่งความหลุดพ้นจากปวงทุกข์ผลย่อมดูไม่จืดใครทำสมบัติราคาสูงเสียหายย่อมถูกลงโทษอย่างหนักฉันใดผู้ทำศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ให้มัวหมองย่อมเปื้อนมลทินบาปอย่างร้ายแรงฉันนั้นสรุปคือต้องตั้งต้นบวชกันด้วยความเข้าใจครับ การเป็นเหตุแห่งการเกิดมาธรรมชาติจึงจัดสรรให้การมน่าสนุกน่าอยากมีน่าอยากเอาใครอยากเสพกามก็เท่ากับประกาศว่ายังอยากเกิดอีกซึ่งอยู่นอกวัดก็ไม่ผิดกติกาอะไรจะเสพกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามใจต่อเมื่อไม่อยากเกิดค่อยเข้าไปอยู่ในวัดแล้วรักษาวินยัยถอนความอยากเสพกามเสียด้วยกิจอันบริสุทธิ์สะอาดแห่งสง์ กระทั่งสามารถละความอยากเกิดเสร็ได้ในที่สุดบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่13อ่านและให้ดนตรีประกอบโดยโจโชคือการประทั่งของเธอไม่คิดในใจอาจคอยส่งพลหรือร้อันลืดลับแตมือนของกัการส่งพล ทำอะไรทำดีหรือร้ผลคือกันแม้ดูงละดาวจะไม่พราแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผล ให้ยิ้และสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไ้แทนทันดี